ยังไงก็แปลกอร อ, อชาดีเดี๋ยวก็ได้ปูดกันชาแต่มน้ำขนาดเด้นก็าสายหลุไปช่วยโทรกลับมาอีกได้ไหมตอนนี้ภารกิจรัดตัวรัดหัวรัดหางเอาไว้ต้องขออภัยอินหาอะไรกินในห้องน้ำอยู่เลยนะจ๊ะ ไม่โกรธไม่ได้เครื่องที่ฉันมีเรื่องบางอย่างก็อยากคุยด้วยใจจะขาดสายจะขาดแล้วเออ <Yes. S 1> แต่ไม่มีทังโทรกลับ